โทสัมมาสัมพุทธัสสาบุพเพกตะบุญยตาจะเอตัมมังคารมุตตะมันตีนะบัตเนอาตมะพะ จะได้รับประทานแสดงพระกรร ม, มเทศนาว่าด้วยบุพเภกะตะบุญยตากถากล่าวคือว่าด้วยการสั่งสมบุญแต่ปางก่อนปารพบในวันธรรมมัตสวนะคใหม่ขึ้นแปดข้ามเดือนสิบเอ็ดตรงกับวันที่สิบสองเดือนตุลาคมพุทธศักราชสอง6ห้าร้อยห้าสิบหก เพื่อเป็นเครื่องประครับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มในกุศลบุ ญ, ญาราศีแห่งธรร ม, มะัะนามมยบุญคือบุญที่เกิดจากการฟังธรรมปารบในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันนี้ <Okay. S 1> ซึ่งวันนี <Okay. S 1> ้ก็เป็นวันขึ้นแปดข้ามเดือนสิบเอ็ด นับจากหน้านี้ไปก็อีกเจ็ดวันก็เป็นวันขึ้นสิบอ้าข้าเดือนสิบเอ็ดเป็นวันออกพรรษานับว่าพระสงค์ตลอดถึงบรรดาญาติโยมที่ได้ตั้งจตะอธิษฐานทำคุณงามความดีตลอดทั่วไปมากนั้นก็จะเวียนจบบรรลุครบอีกแล้วการเวลาก็ไว เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นก็ไวดังนั้นญาติโยมท่านสาวิชนท่านทั้งหลายการที่เราดำรงชีวิตเป็นมนุษย์อยู่นี้เราเกิดขึ้นได้อย่างนี้มีดีอย่างนี้มีความสุขอยู่อย่างนี้ก็เพราะบุญเก่าที่เราทำบุญใหม่ที่เราเพิ่มเติมซึ่งต้องพุทธฟาสิติอัตมภาพ ยกเป็นนิเยปบทมุ่งต้นนั้นว่าบุเอกะตะบุญยตาเอตัมมังครรมุตตมังก็แปลใจความว่าการที่บุคคลมีทำบุญไว้แต่ปางก่อนคือทำคุณงามความดีไว้ก็จะทาให้พบประสบสุขในปัจจุบันชาติและในอนาคตชาติธรรมดาของชีวิตมนุษย์คนเรา บางทีบางครั้งเราก็น้อยใจในวาสนาเกิดมาแล้วทำไมไม่ได้ดีเหมือนคนอื่นบางทีบางครั้งก็มานั่งคิดว่าทำดีทั้งปีทำไมไม่ดีเกิดขึ้นนั่นก็เพราะว่าบุญเก่าเรายังไม่ล้นบุญใหม่เราเติมยังไม่เต็มที่ดังนั้นอย่าน้อยใจในวาสนาแต่ถ้าเราได้ทำบุญสมบูรณ์แบบแล้วทั้งอดีตแต่ชาติและปัจจุบัน บุญนั้นเมื่อมาถึงพร้อมกันแล้วสัรพสิ่งก็สําเร็จสรรพสิ่งคิดก็ได้สมหวังเรียกว่าสําเร็จในสิ่งที่คิดไม่ติดในสิ่งที่ทําเพราะบุญกรรมที่ทํามาเสริมให้บรรลุเป้าหมายนั่นเองท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านแข่งรถแข่งเรือมันแข่งได้แต่ว่าแข่งบุญภาวาสนามันแข่งกันไม่ได้เราจะเห็นเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์แม้แต่การทํางานหน้าที่ การงานต่างๆทำไมคนบางคนตำแหน่งเลื่อนขึ้นคนบางคนทำงานแทบตายไม่มีตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องยอมรับเรื่องบุพเพบุญญาก็คือบุญนาพาวาสนานำส่งอดีตชาติเคยปานาไว้แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคราวที่พระองค์ทรงประธานตาแหน่งแก่พระสาวกแต่ละพระองค์ที่เราเรียกว่าพระอสิติสาวก คือสาวกถึงแปดสิบพระองค์ที่ได้รับตําแหน่งยกย่องฐานันดรจากเหล่านั้นแต่ละครั้งที่พระองค์ทรงแต่งตั้งยกยอ่องนองคโน้นอย่างเช่นพระอัญญาโกณทัญญะทําไมได้ชื่อว่ารู้ราตีนานทําไมภาษารีบุตรฟามโอคารนะถึงได้รับตําแหน่งเป็นอัครอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นอดีตชาติเคยตั้งความปรารถนาไว้ ชั้นใดความปรารถนาของพระ อ, อรหันตเหล่านั้นสําเร็จได้บุญตัวสนติโยมมาทําบุญในวันพระตักบาตรในวันพระทําคุณงามความดี น, น, นั้นก็ย่อมประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโยมบุญในอดีตชาตินี้แม้แต่เรื่องความรักมันก็เกิดขึ้นความรักในพระพุทธศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นในสองทางหนึ่งก็คือบุพเพกะตะบุญญตา นั่นก็หมายว่าบุญนำพาวาสนานํำส่งเคยเกื้อกูลกันมาทําบุญร่วมชาติตักบาตร่วมขันสองปัจจุปันเนหิเตนะวาก็คือการเกื้อกูลกันการเห็นใจกันเห็นอกเห็นใจกันการไปมาหาสู่การเข้าใจกันการช่วยเหลือกันการไว้ใจกันอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเครือกูลความรักก็จะมั่นคงทําให้คิดถึงบทประพันธ์ ที่คุณสา ย, ยันสัญญานี่ซึ่งเป็นอดีตนักร้องราชารุกทุ่งเมืองไทยในโยมได้ร้องเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่ว่าบุกเบสันี่ว่ า, วาก็ข อ, อ, อประมวลให้ญาติโยมฟังว่าทําไมแม้แต่เนื้อเพลงยังพูดถึงเรื่องบุญกุศลแต่บุญแต่ปางก่อนอดีตชาติที่ทําบุญร่วมกันมาดังบทประพันธ์ที่ว่าเนื้อคู่กันแล้วก็คงไม่แค้วกันไปได้ถ้าเธยทาบุญร่วมไว้ถึงจะยังไงก็ต้องเจอกัน เขาเรียกว่าบุเภสันนิวาตสร้างสรรค์คงเคยตักบาตรร่วมกันสร้างโบอดร่วมกันไว้เมื่อชาติก่อนนี่แหละเรียกว่าทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมกันดังนั้นญาติโยมวันนี้เรามีโอกาสมาทําบุญรักษาศีลมาปฏิบัติธรรมร่วมกันก็ถือว่าเราได้ทําบุญร่วมกันแล้วโดยเฉพาะงานบุญใหญ่ของวัดปยุรวงศาวาสที่จะมาถึงนี้นายโยมนะคืองานเทศมหาชาติทรงเครื่อง ท่งวัดประยรวงศาวาสเร่วมกับพระนักเทศรุ่นที่21สังฆราชบูชาร้อยพระชนะสาสมเด็จพระสังฆราชจะจัดขึ้นในวันที่27เดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ตรงกับวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปญาติโยมท่านใดอยากจะมาสั่งสมเสริมบุญบารมีตัวเองโดยการร่วมฟังเทศมหมาชาตาก็เริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาของวันที่20 เจตุราคมที่จะถึงนี้และงานบุญใหญ่ข้างหน้าก็ยังมีอีกก็คือพิธีเฉลิมฉลองรางวัลจากยูเนสโกที่วัดรยิโรงสาวาทเจดีย์องค์ใหญ่ดังที่พระเดชพระคุณพระพมบัณดิตหลวงพ่อจเจ้าอาวาสวัดรยโรงสาวาทได้ประากาศให้ญาติโยมทราบโดยทั่วกันนั้นจะมีการเฉลิมฉลองรับโลรางวัลในวันที่16เดือนพฤศจิกายน2556 และวันดังกล่าวตอนเช้าเจ็ดนาฬิกาญาติโยมท่านทั้งหลายก็ขอเจริญพอเรียนเชิญญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้ชวนพี่ชนน้องชวนญาติเรียกว่าจุงมือหลานประสานมือแฟนมามาร่วมกันพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทางสายแม่น้ำเจ้าพระยาจากวัดไก่เตี้ยมาถึงวัดพยโลสาวาในวันที่ิหเดือนพฤษภิกายนโยมนะและเราก็จะทาการเฉลิมฉลอง ในเทศกาล ร, รอยปฏิบียงหอมบูชาพระบรมสารีริกธาตุถือว่าได้ทำบุญและยมได้ทำบุญร่วมชาติทีนี้ในลักษณะบุญที่จะเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนานี่ที่ว่าบุคเทกะตะบุญญาตาเนี่ยการสั่งสมบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรในอัถาในพระอัาจารย์ท่านแบ่งไว้โดยสามลักษณะหนึ่งก็คือโดยสภาวะบุญมันเกิดขึ้นโดยสภาวะหรือว่าโดยชื่อ สองบุญเกิดขึ้นเพราะมีมูลเหตุสามบุญเกิดขึ้นเพราะผลที่มันปรากฏถ้าครบสามอย่างนี้เรียกว่าบุพเพกะตกบุญยตาประการที่หนึ่งที่บอกว่าบุญเกิดขึ้นโดยสภาวะนั่นก็หมายความว่าโดยธรรมชาติหรือโดยคาชื่อของว่าบุญเนี่ยถ้าบุญมันอยู่ที่ไหนเนี่ยมันจะมีความสุขใจอยู่ก็สบายไปก็ไม่เอออยู่ก็สบายไปก็ไม่ลาบาก ก็ไม่ลํำเคงจะไปที่ไหนจาอะไรหนทางมันโล่งเตียนเพราะอํานาจของคําว่าบุญคนบางคนนี้ทํางานติดปัญหาติดนู่นติดนี่ดูไม่ขึ้นดูตําแหน่งคนอื่นเลื่อนซีเลื่อนขั้นแต่ทําไมตัวเองไม่ขึ้นสักทีก็เพราะบุญใหม่ก็ไม่เพิ่มบุญเก่าก็จะหมดเหมือนเทียนที่เราจุดนี่แหละโยมเทียนมันไหม้ตัวเองหลอมาลายไปนะแต่ไม่เทียนไม่มีที่จะไปเติมไขวัตัวเองได้ชั้นใด บุญกุศลถ้าเราจุดไปแล้วทำไปแล้วเนี่ยมันก็มีหมดได้เหมือนกันดังนั้นต้องเติมเพิ่มเติมความดีเสริมบุญให้แก่ชีวิตนี่คือบุญโดยสภาวะและโดยสภาวะของบุญนี้ถ้าบุญอยู่ที่ใครยมหน้าตาคนนั้นจะผ่องใสยิย้มแย้มแจ่มใสเรียกว่าเปร่งรักสมิงยมดูพระพุทธเจ้าสิแม้แต่พุทธธรรมวิเทศสาสดาพระประธานในพ่อโบสดทาไมต้องมีกระจกอยู่ด้านหลัง นั่นแหละท่งสั ญ, ญลักษณ์ว่าจับพันธรังสีที่อันเป็นบุญยศโยงสังเกตรพระเถราจารย์พระเถระพระผู้ใหญ่เนี่ที่ท่านสั่งสมบุญไว้มากบารมีเพียงพอนี่หน้าตาท่านจะผ่องใสหน้าไม่เศรายิ้มแย้มแจ่มใสดูพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสของเราท่านไปที่ไหนท่านก็สดใสาราเริงมีเรียกว่าเพล่งปั่งอลานี้ออกเป็นหน้า แต่ว่าบางคนบางท่านญาติโยมไปที่ไหนหน้าตาก็เศร้าเพราิดมันขุนหมองมิแต่เรื่องชั่วทําแต่เรื่องชั่วมันไม่ผ่องใสมันไม่แจ่มใสทําให้มีความโศกเศรา้ากับสับสนวุ่นวายนะฮะเราจะทํายังไงนะฮะทาให้บุญนี้มันช่วยจะจับความเศร้าความโศกความสับสนความวุ่นวายในชีวิตต้องขยันทําบุญโยมาการขยันทาบุญนั้นมันไม่ยากนะฮะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบุญการกุศลการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมเนี่ยทําให้มันเกิดเป็นประจําอย่างยาติโยมเนี่มารักษาศีลอย่างนี้เป็นต้นมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าสร้างบุญให้แก่ชีวิตเสริมบุญใหม่ให้แก่ชีวิตเติมบุญเก่าให้แก่ชีวิตเพราะว่าบุญนั้นมันเป็นที่มายความสุขดังคําที่กล่าวว่ายามบุญมาวาสนาช่วย ที่ป่วยก็หายที่นายก็รักยามบุญไม่มาว่าสนามไม่ช่วยที่ป่วยมันก็หนักที่รักก็นายยามบุญมานี่นะโยมนะใครก็นับเป็นพี่เป็นน้องแต่ถ้าพอยามบุญมันลงยุมบุญมันลดนะแม้แต่พี่น้องก็ไม่รู้จักเหมือนกับคนที่สวมหมวกขนเป็นผู้บริหารเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นตน ตอนที่มีตำแหน่งนี้ถ้าไม่สั่งสมบารมีทำความดีบาเพ็ประโยชน์ต่อประเทศชาติศาสนาเป็นอเนกนานเป็นประการแล้วพอหลุดออกจากตำแหน่งเท่านั้นเลยโยมคนก็จะไม่รู้จักคนก็จะไม่ยกมือไหว้เพราะตอนที่มีตำแหน่งมีบทบาทหน้าที่ตอนที่ตนเองมีโอกาสได้ทำบุญเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อศาสนาต่อฝ่าฟ้าประชาชนแล้วไม่ทาเนี่ยมันก็ไม่ได้บุน เพราะอะไรเพราะว่าตอนตอนมีอำนาจแต่ไม่ทาพอหมดอำนาจคนก็หมดศรัทธาเลื่อนสอย่างนี้เป็นต้นโยมนะดังนั้นเนี่ยบุญโดยสภาวะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มีความสุขยิ้มมีความสุขมีความสบายใจไม่ต้องวิตกกังวลว่าความชั่วปาปธรรมจะเกิดขึ้นแก่ตนเองนี้เรียกว่าบุญโดยสภาวะ บุญประการที่สองที่จะเกิดขึ้นเพราะโดยมูลเหตุโดยมูลเหตุนั่นก็หมายคาว่ามันมีเหตุของการกระทำที่เราได้รับผลมีความสุขทุกวันนี้อยู่ดีกินดีไม่มีโรคไปใกล้เสียบเบียดเบียนก็เพราะบุญเก่าเราทำที่เรามีสุขทุกวันนี้มีงานทำดีทุกวันนี้สุขภาพแข็งแรงทุกวันนี้ก็เพราะบุญเก่าเรามีครอบครัวที่ดี มีคนรักที่ดีไม่เจ้าชู้ไม่นอกใจนะมีสะเอ่อมีทิฏฐิเสมอกันมีศีลเสมอกันก็เพราะบุญที่เราทำที่มันเป็นเหตุที่เรามีความสุขเี่ยเพราะมันมีมูลเหตุที่ทำไว้แต่ปางก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะมูลเหตุที่เราเกิดขึ้นว่าทางกายทางวาจาและทางใจทั้งสามอย่างนี้ถ้าเราคิดดีทำดีพูดดี มูลเหตุอะไรอะไรมันก็ดีเกิดขึ้นมันเป็นกุศลโสโภชนจิตอันประกอบด้วยหนึ่งอารมะสองอโทสะสามโมหะโอารภะก็คือความไม่โลภนะความไม่โลภอยากได้ของคนอื่นที่เขาครอบครองที่เขามีเจ้าของบางคนบางท่านอยากได้ในสิ่งที่ไม่ควนได้อยากมีในสิ่งที่ไม่ควนมีอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเรารู้จัก งดเว้นละเสียบ้างเราก็จำได้พบแห่งความสุขเพราะมันเป็นมูลเหตุถ้ามูลเหตุเราปรารถนาร้ายเราก็จะได้ร้ายถ้ามูลเหตุเราปรารถนาดีเราก็จะได้ดีถ้าเราอยากโลบได้ของคนอื่นโดยไม่ใช่เป็นของตัวเองมันก็เป็นทุกข์เรื่องบางเรื่องหรือถ้าเรามีความสุขได้นาโยมนะนั่นก็หมายว่าเรารู้จักในสิ่งเ อ, อพอใจในสิ่งที่ตนเองมียินดีในสิ่งที่ตนเองได้เนี่ยถามว่าสุขไหมสุข เพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่ของเราเรื่องบางเรื่องสิ่งบางสิ่งมันไม่ใช่ที่จะเป็นของเรามันก็ไม่เป็นของเรามีอดีตพระเด็กพระคุณหลวงพ่อพระพุทธบริยานี่อดีตจเจ้าอาวาสเจ้าคุณใหญ่วัดเรานี่แหละโยมมีพระบอกว่าหลวงพ่อของในวัดมันหายหลวงบอกว่ามันมีโจรขโมยไปหลวงพ่อก็บอกว่ามันไม่ไปไหนหรอกมันอยู่ในโลกนี่แหละถ้ามันเป็นของเรามันก็จะจกลับมา ดังนั้นคือเรางพ่อรดน้ำสอนให้เราไม่มีความโลภนะฮ ะ, ะดังนั้นเมื่อมันเป็นของเรามันก็ต้องเป็นของเราประการที่สองคืออัโทสะไม่มีความโกรธโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัโทสานี่แหละโยมเป็นตัวอันตรายนะฮะโกรธใครแล้วมันไม่มีความสุขหรอกมองหน้ากันก็ไม่ติดแม้แต่รอยมุมยิ้มก็ไม่มีให้กันสายตาที่จะตกจะเจ้ามองกันก็เพราะไม่มีเพราะเราตั้งความตรวจเป็นที่ตั้ง ดูสังคมใดที่ทำไมเราต้องมาทะเลาะเบาะแว้งทำไมเราต้องมาแบ่งสีแบ่งสันแทนที่จะรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องรักกันเสมือนญาติอย่างนี้เราจะมีความสุขด้วยกันแต่ทุกคนมาตั้งความโกรธในสมัยพุทธกาลโยมมีพามมีนายพานคนหนึ่งชื่อโกกะนายโกกะคนนี้นี่นะตื่นเช้ามานในใจก็จะไปหาสัตหาปลาเพื่อมาค้ามาขาย ตามวิถีชีวิตของคนชนบทโยมนะเรียกว่าหาเลี้ยงเช้าเรืองปากเลี้ยงท้องตัวเองแต่ว่าวันหนึ่งแกถูกความโกรธครอบงำแกตื่นแต่เช้าไปหาศัตว์บางเอ่ยว่าวันนั้นมีพระคู่ดงจาริชิกขาจารมาพอดีก็เจอนายพานคนนี้กำลังแบกปืนเข้าป่าพระนายพานคนนี้เนี่ยกับหมาประมาณ1ิบกว่าตัวนโยมสุนัขนี่ตามไป พอนายฟานเห็นพระธูดงเดินสวนทางใจมันก็เริ่มโกรธแล้วแหมวันนี้ดวงจะไม่ดีซะและ้วเพราะว่ามาเจริญสงอง์เก้าจะไปหาสัตว์อาลาอาปานี่สงสัยดวงจะไม่ดีวันนี้สายจะไม่ได้เนื้อเอาก็คิดได้งั้นใจก็เดิดนไปวันนั้นตั้งวันโยมนกตัวเดียวก็ไม่โบให้เห็นหนูตัวเดียวก็ไม่มีแมลงแม้แต่อะไรก็ไม่ปรากฏกา ย, า ย, ายให้เห็นเลยมันตปนวันทีน่นายฟานนี่หงุดหงิด ม, มาก เมื่อหงุดหมดมากก็มาคิดว่าเหตุเพราะว่าอะไรเนาะวันนี้เราทำไมหาอะไรไม่ได้เลยนึกใจได้ว่าเมื่อเช้านี้เจอพระองค์หนึ่งเป็นพระธุดงบินอาบาดนะบินอาบาดอยู่แต่เชา้าขอขาดจับไปเถอะถ้าเจอพระองค์นี้นะจะสั่งสอนให้รู้จักเหตุเลยวันนี้ทำให้เราดวงไม่ดีโกร์ก็เลยกลับบ้านเรียกหมากลับบ้านบางเอ่ญว่าหลวงพี่องค์นั้นหลวงพ่อองค์นั้นนะโยมปิ๊กหาจา์ยัง พปสัตย์ญาติโยมเทศตาระหว่างทางบ้างก็มาพบกับนายพานหากับพอดีนายพานพอเห็นพระเท่านั้นเองเลยโยมปีก็ไปหาต่อว่าเลยหลวงพี่นี่แหละเป็นมุ่นเห็นให้ผมวันนี้หาเนื้อหาสัตว์อะไรไม่ได้เลยตัวหลวงพี่นี่เป็นตัวระยำตัวหลวงพี่นี่เป็นตัวสนียตัวไม่เป็นมงคลวันนี้จะหาเงินหาทองเข้าบ้านหน่อยไม่ได้เพราะมาพบพระนี่แหละทําให้วันนี้เกิดความ อัป ม, มงคลว่าอ่างนนว่าแล้วความโกรธมันก็สั่งสมขึ้นยมเมื่อสั่งสมขึ้นผลปรากฏว่าจะทำไงโ ย, ยมแกก็นนไล่หมาตัวเองนี่แหละเอา้าไอสุนัขตั้งหลายลุ้มจันจัดหลวงพี่องค์นี้เลยพอชี้ตรง น, นั้นเองโยมนะหมาตั้งสิบตัวก็วิ่งเข้า ห, าหาหลวงพี่แหมหลวงพี่ก็มนุษย์นี่ไม่ใช่เทว ด, ดาหายตัวได้โยมปลยกันใหโยมวิ่งขึ้นต้นไม้เลยนะพอวิ่งขึ้นต้นไม้หมาก็เห่าแสดังสนั่น พระอนายพานเนี่ยพระนี่อยู่ด้านบนนะหลวงพี่องค์นั้นพระทุดงสันงบงบงบงนะกลัวหมาก็กลัวกลัวตกต้นไม้ตกกลัวกลัวจีวรหลุดตกกลัวแต่ผลปรากฏว่านายพานยังไม่หยุดความหายโกรธยมตอานั่งเฝ้าเลยนะฮะนั่งเฝ้าให้หมาเห่านั่งเฝ้าดูหลวงพี่ก็ไม่ลงมาสักทีมาแข่งขันติกันระหว่างโยมกับอัตมาใครจะอดทนกว่ากันพระก็อยู่บนต้นไม้ นายพานก็อยู่เบื้องล่างด้านนายพานอดทนไม่ได้ก็จะเดินไปส่วนอตมาก็จะอยู่ด้านบ น, นต้องอดทนให้ได้ไม่งั้นหมากลับแต่นายพานนี่ความโกรธมันครอบงำจิตโยมนะฮะโกทางตวาสุ่ทางเสรษฐี่าความโกรธเสียได้ย่อมอยู่กันสุขแต่นายพานไม่ฆ่าความโกรธโยมเมื่อพระไม่ลงมาทนไม่ไหวโยมแทนที่จะกลับบ้านพาหมากลับไปนอนกับปรรยาไปตทำหากินไม่โยม แตกก็หาไม้นี่นะลูกตาไม้บ้างไม้ไผ่อะไรบ้างไปแย่เท้าพระบ้างนะฮะเล่นบ้างไม้เจ็บตีนพระบ้างหลงที่คนไม่ไหวยอมเจ็บก็เจ็บนะฮะจักรจี้ก็จักรจี้หมดจนมัดจี้วงจี้วอที่ใส่นี่ลืมหมดแล้วเพราะว่าคุมไม่ไหวเจ็บก็เจ็บบางที่จี้ที่ถูกปาเท้าก็จักกจี้บางที่มันแทงทีมขามันก็เจ็บ ก็ดิ้นอยู่บนต้นไม้สลับไปสลับมาที่วนที่ห่มนะโยมก็หลุดลงมาเลยหลุดลงมานะนายพานก็ไม่ได้เอกใจหรอกทีวรหลุดลงมาทีวนก็คุมตัวนายพานเลยพอทีวร ค, คุมตัวนายพานเท่านั้นเองหมาทั้งสิกว่าตัวนะโยมมันก็เข้าใจว่าพระตกมาแล้วโวยนะพระตกมาแล้วก็ลุมกันเข้าจับเลยโยมนะ่ะ จกกับคนละชิ้นสองอินนายทานก็ไล่ในรู้แล้วเพราะว่าหมามันไม่เห็นเจ้าของเพราะจีวรพุ่มนะแล้วก็แฉไม่พอกินจีวรก็เป็นกินของพระไม่ก็ไม่ใช่กินเจ้าของมันก็ลุ่มกั น, กนจัดจนกระทั่งนายทานตายหาที่ยมแนบสนิทตน้นหนังเองหมาก็กลับเลยเพราะได้บรรลุประสงค์แล้วหาตามหาเจ้าของที่บ้านต่อโอ้หลวงพี่มองด้านล่างอันเด็ดอันาศสงสารจับใจ นี่เพราะความโกรธแท้ๆ ท, ที่มันทําให้นายพานคนนี้ตายไม่ใช่หลวงพี่จะเป็นคนฆ่านะไม่ใช่พระพุธองค์นั้นเป็นคนฆ่าแต่ความโกรธต่างหากที่ฆ่านายพานนะยมทําทให้นายพานนั้นสึ้นชีวิตไปเพราะอะไรเพราะมีความโกรธที่ปูกความเก็ียดไว้มันเป็นมูลเหตุนะโยมนะเป็นมูลเหตหุไอ้จิตที่โศกเศร้าดังนั้นคนเราเนี่ยถ้าเราจะทําให้มูลเหตุมีความสุขเนี่ยเราต้องทําความดี ทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วยะถาการีตถาการีนะก็คือทำอย่างไรย่อมได้ผลอย่างนั้นที่ดีในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยมูลเหตุที่เกิดเองความสุขเนี่ยเราเรียกว่ามูลเหตุแห่งความสุขเนี่ยนะเราเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุคือเหตุที่ตั้งทำให้เกิดบุญเนี่ยมีอะไรบ้าง 1. นทานะไม บุญที่สําเร็จสาเร็จด้วยการให้ทานอย่างโยมมาที่วัดประโรวงสาวา่ามีโอกาสเข้ากราบพระวิหารหลวงพ่อพุทธนาหลว่าพุทธนาเห็นสู้บริจาคพิสูจอาภาษณ์ส่งเสริมการเรียนอย่างนี้เป็นต้นโยมก็จบทานร่นทำบุญบูชาพระบรมสารีริกธาตุบุญนี้สำเร็จด้วยการให้ในกระตั้งวันที่27กคแปลงงานเทศมหาชาติโยมก็มาร่วมฟังเทศมหาชาติร่วมทำบุญตามกําลังศรัทธาของตน เรียกว่าทำบุญร่วมชาติติดพระป่าร่วมกันฟังเทพมหาชาติร่วมกันอย่างนี้เรียกว่าบุญสําเร็จเพราะการให้ประการที่สองสีรใหม่บุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลวันนี้บรรดาญาโยมสาธุชนทุกท่านก็ได้รักษาศีลแปดนะตามกำลังของตนเองนี่กบุญสําเร็จด้วยการรักษาศีลประการที่สามภาวนาใหม่บุญสําเร็จด้วยการเจริญจิ ต, ตภาวนานั่นก็คือจิตที่ไม่เป็นอกุศล จิตที่ไม่โกรจิตที่ไม่โกรธจิตที่ไม่หลงนั่นก็คือทําไม่เกิดภาวนาไมายบุญความทุกข์ที่เกิดขึ้นเราก็ไม่ใส่ใจหรือว่าเรื่องเดือดร้อนในภายนอกเอาแค่ใจเรามีความสุขก็พอแล้วลองว่าพุทธทาสท่านได้ประพันธ์ไว้ว่าเขามีส่วนเรียบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรูปของเขาเลยนี่อย่างนี้ก็เกิดภาวนาไมายบุญนะโยม เพาบุญเกิดจางกล่านอกกรมที่ทำให้ใจเราสูงใจเราไม่ตกต่ําไม่มองในแง่อากุชนนี่ก็คือเกิดภาวนาใหม่บุญใครทําใจได้มากที่สุดก็บุญตกของภาวนาใหม่บุญนี่แ่ะบุญที่สี่โยมนะอัปปัิญนาณใหม่บุญบุญที่เกิดจากการอ่อนน้อมทำตนเรียกว่าได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับนายเรียกว่ามีความเคารพต่อ ผู้หลักผู้ใหญ่มีลูกก็มีความเคารพต่อพ่อต่อแม่จิตก็มีความเคารพต่อครูบาอาจารย์รุ่นน้องก็มีความเคารพต่อรุ่นพี่อย่างนี้เรียกว่าอัปปัจยนมัยประการที่ห้าวั ย, ยาวัจจมัยบุญที่สำเร็จจาัด ก, การขวัญขวายขวัขวายในเรื่องของการบุญการกุศลดังนั้นช่วงออกพรรษาตั้งแต่วันขึ้นสิบหามเดือน11นิยม จากนั้นไปหนึ่งเดือนจนถึงเดือนสิองเนี่ยเป็นเทศากาลงานจัะหินนยมนะเป็นเทศากาลงานจัะหินดังนั้นถ้าเขามีบุญว่าป่าบุญจัะหินมาแล้วอย่ากลัวโยมนะฮะทำตามกําลังศรัทธาสิบยี่สิบก็ไม่มีใครว่าร้อยสองก็ไม่มีใครว่าคือมันเป็นวัยยาวัตรใหม่ ขวัญขวายในเรื่องการบุญแนมะ้แต่ว่าเราไม่มีจตุปัจจัยไตยธรรมที่จะใส่ซองเขาก็เอามือจินิ้วแหละใส่ซองเข้าไปแต่ไม่ต้องไปตัดนิ้วตัวเองนะไม่ต้องตัดนิ้วก็คือตั้งสัจจะอธิษฐานประนมอนุโมทนาสาธุเบื้องบุญกับเขานี่ก็คือขวัญขวายในกองบุญกองกุศลนะและประการที่หปฏิทานใหม่บุญบุญที่ให้ในส่วนบุญนั่นก็หมายคือการตรวจน้ําแผ่เมตตา ที่าติยอมได้ตรวจน้ำตั้งจิตแต่เมตตาปราถนาให้คนอื่นมีความสุขนี่เป็นปฏิฐานใหม่บุญยอมนะยามที่เราทำบุญกูสรต่อตรวจน้ำอุทิศให้กับบรรพบุรุษเราบ้างนะอุทิศให้แกเจ้ากรรมในเวนบ้างเขาจะได้อโหสิกรรมให้แกเราผพ้ให้ยอมเป็นที่รักนะสัพพมาโนปโยโหตินี่แหละผู้ให้ยอมเป็นที่รักได้ประการที่เกี ต, ตัตานุโมทนาใหม่บุญ บุญที่สําเร็จจากการอนุโมทนาร่วมอะนุโมทนากับคนอื่นที่เขาได้ทําบุญแล้วและก็สําเร็จเป็นปัตนุโมทนาอย่างนี้เป็นต้นประการที่แปดรำมัจจนาหมบุญบุญที่เกิดจากการฟังธรรมอย่างญาติโยมสาธุชนทุกท่านมาฟังธรรมที่วัดปยุร่วงศสาวาตทุกวันแปดค่ำสิบห้าค่ําอย่างนี้เป็นต้นบุญย่อมสําเร็จแต่ญาติโยมอย่างน้อยก็บุญที่เกิดจากการฟังสุดสูงสังพระปฏิปัญยญง ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเมื่อฟังได้แล้วก็เกิดจินตามะยะปัญญาคอยคิดตามหลักธรรมคำสอนก็ทําให้เราเกิดได้ความรู้เป็นข้อคิดติดชีวิตต่อไปประการที่9ก้าธรรมทวนาไมบุญบุญที่เกิดจากการแสดงธรรมอย่างอัตมาภาพก็ดีพระเถระในวัดก็ดีนี่ท่านขึ้นมาแสดงธรรมอย่างนิยมนะท่านก็ได้บุญอาตมาก็ได้บุญ พราะบุญที่เกิดจากที่ทางออกบอกทางให้ก็ได้บุญเหมือนกันนะแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นเนื้อนาะบุญของเราท่านให้สิทธิ์ในความที้ทางออกบอกทางให้บอกการบุญกุศลหรือว่าแนะนำให้ยอมงดเบิ่งจากทำความชั่วให้ทำความดีอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าธรรมเทสนามับุญบุญที่สําเร็จจากการฟังธรรมและประการสุดท้ายประการที่สิบที่ถุชุกรรม คือบุญที่เกิดจากการปรับความคิดให้ถูกต้องนี้เป็นสิ่งสาคัญทําอะไรก็ผิดถ้ามันคิดผิดตั้งแต่ต้นเหมือนกับเราติดกระดุมนั่นแหละโยมถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกมันผิดเม็ดต่อต่อไปมันก็ผิดความคิดเราก็เหมือนกันถ้าเราคิดผิดแต่แรกเป็นมิจราธิตผิดแต่แรกความผิดมันก็ผิดไปหมดเลยทาอะไรก็ไม่บรรลุประสงค์ อย่างในทานคนเมื่อกี้โกงกะคนนี้คิดผิดแต่เรกว่าวันนี้พกพระแทนที่จะบอกว่าโอ้เป็นมงคลแบกปืนกลับบ้านไปทามาเอาไปอยู่บ้านพักก่อนให้สบายสักวันจบไม่คิดในทางที่ถูกจบบ้าวันนี้พกพระกับพกเป็นตัวสนิอยังไรคิดผิดอย่างนี้เรียกว่ามีความเห็นผิดดังนั้นบุญทั้งสิบข้อนี้เราเรียกว่า บุญที่สําเร็จเพราะเป็นมูลเหตุแห่งบุญและประการสุดท้ายบุญที่จะเกิดขึ้นหรือว่ามูลเหตุของความที่เกิดบุญดังที่กล่าวมานั้น <c oughs> ก็คือผลที่มันปรากฏผลที่มันปรากฏก็คือความอยู่ดีกินดีมีสุขนี่คือผลมันปรากฏแล้วถ้าเราคิดดีเราก็ได้ดี ถ้าเราํำดีเราก็ได้ดีเราพูดดีเราก็ได้ดีทำไมโบราณไทยถึงว่าหมอปามปลาหมอตายเพราะปากเพราะบางคนนี่มันปากร้ า, ายทำไมคนบางคนเนี่ยพูดและตำร้ายจิตใจคนอื่นเพราะว่าไม่พูดดีไม่คิดดีโดยผลที่มันปรากฏเนี่ยตรงนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเลยว่าภิสษทั้งหลายพวกเธออย่ากลัวบุญเลย บุเป็นชื่อของความสุขดังพุทธภาสิตที่ปรากฏว่าสุขโขบุญญะอุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้นั่นเองดังนั้นเมื่อผลมันปรากฏแล้วก็จะทำให้เรานี้มีดีสามสมัยยมคือเป็นผู้มาดีเป็นผู้อยู่ดีและเป็นผู้ไปดีเพราะบุญกุศลที่เราทำผลมันเลยทำให้ปรากฏ อย่างโยมอยู่วันนี้มีความสุขในวันนี้เพราะโยมมาดีและยมอยู่ดีแล้วก็ยมไปดีดังคำประพันธ์ที่ท่านกล่าวว่ามาให้ดีมีธรรมประจําจิตดีจะติดต่อตั้งเมื่ อ, อยังอยู่ไปให้ดีมีธรรมเข้าคําชูดีจะอยู่เป็นภาคเมื่อจากไปดังนั้นบุญกุศลที่เราทํารวมความแล้ว บุคเคกะตาบุ ญ, ญาตาานั้นเกิดขึ้นเพราะโดยสภาวะโดยเหตุผลและบุญที่ปรากฏดังที่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านมีความสุขอยู่ดีสุขสบายทุกวันนี้เพราะบุญแต่ปางก่อนทำไว้ดีบุญปัจจุบันชาติก็สั่งสมอยู่เสมอจึงทำให้เราอยู่ดีมีสุขจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะบุญนั่นเองอาตมภาพ รับประธานแสดงพระธรบมบเทศนาในบุเกรกตะบุญยตากถาก็พอสมสมัยแต่เวลาพระนรปยาโนภาเวนะด้วยอํานาจแห่งพระพุทธด้วยอํานาจแห่งพระธรรมด้วยอํานาจแห่งพระสงฆ์อำนาจบารมีของหลวงพ่อพพุทธนาพระประธานสักศิล์วัตย์ยิ่งองสาวาตอํานาจบารมีหลวงพ่อพุทธธรรมวิเชศศาสนาพระสักศิลป์ในพระอุโบสถ อำนาจบารมีพระบรมสารีริกธาตุที่ประฏิสถานพระบรมธาตุมหาเจดีย์อำนาจบารมีเหล่าเทพเทวาที่อารักขาอย่างพระอาราหนึ่งนี้อำนาจฐานะบารมีศีรบารมีภาวนาบุญก็ดีที่ญาติโยมได้สั่งสมมาทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงมารวมเป็นตบะเป็นเลขะเป็นปรวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยสนับสนุนให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทุกท่าน จงเจริญด้วยสิริสวัสดิ์พัฒนมงคลให้มีความสมบูรณ์คุญผลในสิ่งอังพุงปราถนาจงทุกประการอาตมภาพรับประทานวิสัญนาพระธรรมเทศนาในบุคเภกะตะบุญยตาคถาก็พอสมสมัยแก่เวลาจึงขอสมุตจิตติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยปาระชันี